เพาะเนาะหกง่ายด้วยหาซื้อที่ไหนเนี่ยเห็นเลยนะว่าใจมันอยากได้เอ่เจริญพรตอนบ่ายกับทุกทุกท่านอีกครั้งหนึ่ง <c oughs> อ่ะท่องตามอ่านใจตัวเองให้ออกบอกใจตัวเองให้เป็น <ke j> เห็นใจตัวเองให้ชัดจัดใจตัวเองให้ถูกอ่านใจตัวเองให้ออก บอกใจตัวเองให้เป็นเห็นใจตัวเองให้ชัดจัดใจตัวเองให้ถูกอ่านใจตัวเองให้ออกบอกใจตัวเองให้เป็นเห็นใจตัวเองให้ชัดจัดใจตัวเองให้ถูกล้ว่าเองสิ้า หนึ่งสองสามอ่ใจตัวเองให้หอกบอกใจตัวเองให้ ใ, ใ, จ ใ, จ ใ, ให้จใจเองให้ชัดาัดใจตัวเองให้ถูกานครั้งแรกเลยเนี่ยที่ภาวะเราสามารถพูดได้เลยนอกนั้นก็ชิดชัดเช็จนมาตอนท้ายๆเงงๆอ่านใจตัวเองให้ออกบอกใจตัวเองให้ชัดตัวเอง ซึ่งมันไม่ถูกนะเ <c oughs> มื่อกี้เนี่ยเป็นคาถาศักดิ์สิทธิ์เป็นคาถาศักดิ์สิทธิ์ที่อยากจะให้พวกเราจำให้ขึ้นใจคาว่าอ่านใจตัวเองให้ออกก็คือคือการรู้เท่าทันความเผลอคิดทำไมอาจารย์เน้นย้าเรื่องความเผลอคิดคือความคิดที่มันไม่ได้ตั้งใจคิด หรือความคิดที่มันคิดขึ้นเองที่มันหลงคิดเนี่ยทำไมอยากให้ให้รู้เท่าทันตรงนี้แล้วทำไมเน้นย้ำว่าต้องเป็นความคิดแบบนี้เพราะความคิดมันมีอยู่สองอย่างคือความคิดแบบตั้งใจคิดกับความคิดแบบหลงคิดหรือเผลอคิดหรือความคิดที่มันคิดขึ้นเองความคิดแบบตั้งใจคิดนั้นมันมีสติมีสมาธิเป็นตัวควบคุมเพราะฉะนั้นความคิดแบบตั้งใจคิดมันคือการน้อมจิตมาใช้ มันก็เลยต้องมีขั้นตอนมีมีกระบวนการคิดมีการวิเคราะห์มีการสังเคราะห์ข้อมูลนะมีการทบทวนข้อมูลนั้นถูกต้องหรือไม่ที่สำคัญคือมันจบเป็นมันสรุปได้มันตกผลึกกลายเป็นองค์ความรู้ขึ้นมาได้พระพุทธเจ้าเรียกความคิดแบบนี้ว่าจินตามายาปัญญาอืมมันเป็นมันเป็นเรื่องของการใช้ใช้จิต ในการทำงานเพื่อที่จะเอามาทำงานทางโลกหรือทางธรรมก็ได้เข้าใจไหมทำงานทางโลกอย่างไรก็ทามาหากินต้องใช้ความคิดไหมนั่นน่ะสิหรือหรือใครมีชีวิตอยู่อย่างไม่ต้องใช้ความคิดในการทำงานทำไปวันวันไม่ใช่เนาะเพราะการคิดวางแผนการทางาน การคิดแก้ไขปัญหาการคิดหาคำตอบอะไรบางอย่างที่มันต้องเกี่ยวข้องกับการงานเราต้องใช้ความตั้งใจคิดเข้ามาเกี่ยวข้องและที่สําคัญคือความตั้งใจคิดมันไม่ทำให้เราเป็นทุกข์เพราะมันเป็นแค่กระบวนการมันเป็นแค่กระบวนการแต่ถ้าตั้งใจคิดวางแผนการทำงานแล้วมันทุกข์ก็เพราะว่ามันเผลอเผลอคิดที่จะไปหวังผลกับ กับผลสำลิดของการทํางานเข้าใจความหมายไหมแล้วก็เลยเกิดความหวังผลว่าจะเป็นไปอย่างนี้ไหมจะเป็นอย่างนี้ไหมซึ่งมันกลายเป็นว่ามันมันเผลอไปโดยไม่รู้ตัวแต่ถ้าเราคิดเรื่องงานจริงๆเรื่องการการทํางานเรื่องรูปแบบการทํางานเรื่องกระบวนการมันจริงๆมันไม่ทําให้เราเป็นทุกข์เพราะไม่เคยมีใครตั้งใจทุกข์ความคิดแบบนี้มันเป็นสิ่งที่เราถูกปลุกฝัง สร้างทักษะสร้างกระบวนการตั้งแต่เล็กจนโตในระบบการศึกษาเข้าใจไหมมันมาใน ร, รูปแบบของระบบการศึกษากค่อยๆถูกพัฒนาขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นการเรียนจบของเราก็คือคิดได้ทำเป็นถูกไหมถ้าคิดไม่ได้ทำมันก็ทำไม่เป็นถูกปะ่ะถ้าเรียนจบมาแล้วคิดไม่ได้ทำไม่เป็นการศึกษาล้มเหลว เออล้มเหลวเข้าใจยังงเนี่ยเพราะฉะนั้นมันจึงเป็นเรื่องของการทางโลกเป็นการพัฒนาวัตถุทางโลกหรือถ้าจะเป็นการพัฒนาทางธรรมก็สามารถทําได้คือการน้อมคิดในเชิงบวกน้อมคิดในเชิงเชิงกุศลอะไรอย่างเงี้ยเข้าจใจไหมหรือแม้แต่เวลาเราใกล้จะตายหรือเราเร า, เราเจ็บป่วยขึ้นมาเงี้ยถ้าเราตั้งใจคิดถึงบุญกุศลได้ มันก็นําพาเราไปสู่ความสบายใจขึ้นแล้วก็นําพาไปสู่ความสุขติภพเวลาผู้ป่วยเกิดความเจ็บป่วยขึ้นเนี่ยวิธีหนึ่งที่พระอาจารย์ชอบใช้ก็คือชวนชวนคนไข้คิดถึงบุญกุศลคิดถึงเรื่องดีๆในชีวิตคิดถึงเรื่องที่คิดแล้วมันมีความสุขเพราะเวลาคนไข้เกิดอาการเจ็บป่วยขึ้นมักจะ เผ่อคิดไปในทางไม่ดีใช่เลยไหมพอคิดไปในทางไม่ดีก็ยิ่งจมลงไปเรื่อยๆสังเกตดูไหมยิ่งจมลงไปในความคิดแบบเผลอคิดมันก็ทำให้เป็นทุกข์ใจบวกกับความเจ็บป่วยทางกายที่มีอยู่แล้วก็ทำให้ร่างกายสุดหนักอย่างวันก่อนเนี่ยเมื่อเดือนที่แล้วมีโยมแถวหมู่บ้านอาจารย์พอมาบอกเป็นมะเร็งอาทิตย์เดียวตายเลย คิดดูอ่าคือคอไอตอนป่วยป่วยกระตุกกระเสมาตั้งนานนี่ก็ไม่ได้เป็นอะไรจนตายเลยนะแต่พอไปไปหาหมอหมอบอกเป็นมะเร็งแค่นั้นนะอ่ะอาทิเดียวตายเลยแปลว่ามะเร็งมันเติบโตอย่างรวดเร็วเรือพอใจมันเสียอืมพอใจเสียปุ๊บมันไม่มีกําลังใจที่จะอยู่เขาเรียกว่าฉันทะในการมีชีวิตอยู่มันน้อยลงมันหมดเข้าใจความหมายไหม พลังชีวิตมันหายไปเลยเนี่ยอันตรายมากเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าในเวลาใดที่มีความเจ็บป่วยเธอจงยังจิตผู้ป่วยนั้นให้คิดถึงบุญกุศลนี่เทคนิคง่ายๆตรงนี้นะพระพุทธเจ้าบอกให้พาณมลและเลือกถึงบุญกุศลแล้วจิตของเขาจะมีกําลังจิตมันจะมีความสุขเมื่อจิตมีความสุขมันจะมีกําลังอันเนี้ย เป็นวิธีการตั้งใจคิดน้อมจิตไปทางบุญกุศลเนี่ยมันใช้ได้นะแต่ความตั้งใจคิดมันได้แค่ขั้นโลกิยะความตั้งใจคิดอ่ะมันได้แค่ขั้นโลกิยเคยได้ยินที่หลวงปู่ดูลพูดหมที่บอกว่าคิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้ต้องหยุดคิดจึงรู้แต่ก็ต้องอาศัยคิดนั่นแหละจึงรู้เข้าใจไหม เข้าใจไหมคิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้ต like <snow> ้องหยุดค <cœur hip> ิด <hip> จึงรู้ความหมายใครจะอธิบายยังไงก็ช่างฉันไม่แคร์แต่ฉันจะอธิบายอย่างนี้เข้าใจความหมายไหม เออใครอธิบายยังไงก็ช่างฉันไม่แคร์ฉันไม่สนแต่ฉันจะอธิบายอย่างนี้และถ้าทนอธิบายไปแล้วจะแคร์หรือไม่ฉันก็ไม่สน <c oughs> <c oughs> คือคาว่าคิดเท่าไหร่ก็ไม่คิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้ต้องหยุดคิดอย่างรู้เนี่ยหมายความว่า <c oughs> ตั้งใจคิดยังไงยังไงมันกม็มีทางเข้าถึงโลกุตาลธรรม เข้าใจไหมตั้งใจคิดยังไงยังไงก็ไม่มีทางที่จะเข้าถึงปรมัตธรรมตั้งใจคิดยังไงยังไงมันก็ไม่มีทางถึงโลกุตตรธรรมหรือหลยายลิยัส4ีไม่มีทางอืมนั้นหยุดซะทุกบุญทุกบุญเลยบอกหยุดหยุดทำเรื่องแบบนั้นหยุดตั้งใจคิดด้วยโยงข้อมูลอะไรก็ตามจะโยงข้อมูลมาทั้งปัตโต้พระไตรปิฎก จะคิดแยบยนคิดแยบคายคิดอะไรก็อย่างนี้มันไม่มีทางที่จะเข้าถึงความจริงเพราะมันอยู่ขั้นคิดเข้าใจความหมายไหมมันอยู่แค่ขั้นคิดเอามันแค่จินตามายาปัญญานั่นเองเพราะหยุดซะไม่ใช่หยุดคิดธรรมหากินนะหยุดคิดที่จะเอาให้มันถึงโลกุตละธรธรมเนี่ย ให้หยุดไม่ต้องไปคิดไม่มีทางถึงแต่เขาต้องอาศัยคิดนั่นแหละจึงรู้หมายความว่าไงรู้ไหมก็ต้องอาศัยรู้ทันความเผลอคิดนั่นแหละเพราะความเผลอคิดนั้นมันคือกลไกการทำงานของจิตที่มันทำงานเองมาตั้งแต่เราเกิดเมื่อเราถือกำเนิดเกิดในคันของมารดา คนเราประกอบด้วยกายกับจิตจิตแสดงตัวของมันหรือทํางานในรูปแบบของความคิดเพราะฉะนั้นเด็กที่อยู่ในคันจึงอยู่ในสภาวะของการอยู่ในผวังเพราะฉะนั้นเขาก็อยู่ในกระบวนการคิดเข้าใจความหมายไหมเขาอยู่ความฝันเด็กฝันได้เด็กเขาก็จะฝันอยู่ในคันนั่นแหละฝันไป จิตมันทํางานในลักษณะนี้เพราะฉะ้นพอคลอดออกมาความคิดแบบคิดเองแบบเนี้ยมีไหมมันติดมาตั้งแต่เกิดเพราะมันคือคกลไกการทํางานของจิตยังไงก็ต้องมีเพียงแต่เราไม่เคยรู้จักมันที่เราไม่รู้จักมันเพราะอะไรเพราะอะไรเออไม่เคยสังเกตไอ้ไย อ, อย่างหนึ่งมันอยู่ใกล้ตัวเกิน มันเป็นสิ่งที่เกิดมาพร้อมกับเราอยู่แล้วเข้าใจไหมมันเป็นสิ่งที่เกิดมาพร้อมกับเรามันอยู่กับเราอ่ามันชินที่จะอยู่กับสิ่งนี้เพราะเราก็เลยไม่เคยใส่ใจอืแต่พอเราเริ่มสู่ระบบการศึกษาเขาก็เริ่มสอนให้เรารู้จักตั้งใจคิดคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้บวกลบคูณหารใช่ไหม โตขึ้นก็นเริ่มคิดวิเคราะห์คิดสังเคราะห์ใช่ไหมคิดแบบนั้นแบบนี้ใช่หรือไม่คิดกระบวนการคิดวางแผนการทำงานคิดแก้ปัญหาในระบบของการทำวิทยานิพนธ์ต้องมองปัญหาให้เป็นมองสาเหตุของปัญหาสร้างเครื่องมือในการแก้ปัญหานั้นแล้วก็จะพบคำตอบก็จบเรียนจบปริญญาเมื่อทาวิทยานิพนธ์เป็นข้าใจคกามหมายไมเรื่อคิดเป็นกระบวนการค่อยๆถูกกัอ เพราะตรงนี้เราเข้าใจว่านี่คือความคิดแต่ไอ้ความคิดแบบที่มันคิดขึ้นเองเนี่ยเราไม่รู้จักเมื่อเราไม่รู้จักแล้วยังไม่พอเนี่ยพอมันคิดขึ้นมาเราก็มักจะยนเข้าไปอยู่ในกลุ่มกลุ่มเดียวกับไอ้คิดแบบตั้งใจคิดนั่นแหละเพราะความตั้งใจคิดนั้นมันง่ายไ้มต่อการที่เราจะคิดว่าเราเป็นคนคิดง่ายไหมง่ายไหมที่เราจะคิดว่าเราเป็นคนคิดความตั้งใจคิด ง่ายั้มก็เราคิดไงความคิดของฉันฉันเป็นคนคิดเนี่ยใช่หรือเปล่าฉันเป็นคนคิดเรื่องนี้นะนี่นี่ไอเดียฉันเลยเข้าใจความหมายหเพราะในความคิดแบบนี้มันจึงเป็นความคิดถ้าเราไม่เข้าใจกับมันนี่แหละตัวขวางกั้นที่ทำให้เราต้องตกอยู่ภายใต้สักกายทิฐิเข้าใจไหม เพราะมันแยกไม่ออกไงว่ากายคืออะไรจิตคืออะไรไงเออทีนี้กระบวนการแห่งการที่เรามารู้ทันความเผันคิดคือความคิดที่มันเกิดขึ้นเองเนี่ยเข้าใจคําว่ามันคิดขึ้นเองไหมถ้าเราสังเกตเห็นว่ามันมีความคิดแบบหนึ่งที่มันคิดขึ้นมาเองของมันเนียแปบลบว่าเราเป็นคนคิดไหมฮะก็มันคิดขึ้นเองเนี่ยมันเป็นไปได้ไหมที่เราจะบอกว่ า, ามันคิดอ่ะเราคิด เป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ถ้าเรายังไม่ได้เรียนรู้ถูกหรือไม่ก็เราก็จะมักจะโยนเข้าไปอยู่ในกองเดียวกับไอ้ความคิดแบบตั้งใจคิดแล้วก็คิดว่าเราคิดหมดแหละเนี่ยฉันคิดไม่ดีได้ไงวะเนี่ยเคยเป็นไหมเออคิดช่วงนี้คิดไม่ค่อยดีเลยอ่ะช่วงนี้คิดไม่ดีเยอะเลยอ่ะเออคิดได้ไงวะเนี่ยเฮ้ยอยู่มันก็คิดขึ้นมาเรื่องนี้ อยู่ฉันคิดได้งไงเริืมแบบเนี้ยเห็นนะเราโยนเป็นเราคิดไปหมดเลยทั้งๆ ท, ที่จริ ง, รงๆแล้วมันมันมันเผือคิดมันคิดขึ้นมาเองไงแต่แต่ว่าด้วยความเคยชินด้วยความววามันคิดขึ้นมาแต่เราก็เผือที่จะไปยึดเอาว่าเป็นเป็นเราคิดเหมือนกับที่เราตั้งใจคิดว่าไอเดียฉันนะ่ะเข้าใจความหมายไหมเนี่ยมันเลยทําให้เป็นศังคายทิฏฐิทีททนี้พอกระบวนการปฏิบัติมาทีเนี้ย การปฏิบัติมาถึงปั๊บเนี่ยเขาจะให้เราตั้งกรรมาฐานโดยการเอาใจกับฐานมาอยู่ด้วยกันเพราะนั้นกรรมาฐานประกอบด้กี่ส่ว น, ส อ, ส, วนสองส่วนคือใจกับฐานฐานที่ดีที่สุดอยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนทำไมทำไมฐานที่ดีที่สุดจึงอยู่ที่กายากอ้ามันง่าย มันมีอยู่แล้วอันที่หนึ่งอันที่สองก็คือถ้าออกกายเป็นฐานต่อไปมันจะทําให้เราเห็นอะไรเ <m akes> ห็นใจเข้าใจยังไงถ้าเราเลืรู้อยู่กับกายแล้วอยู่ๆก็มีอตัวหนึ่งโผล่มาให้เห็นเข้าใจความหมายไหมมันก็ทําให้เราเห็นจิตไงมันก็จะแยกออกว่ามีกายกับมีจิตเนีย เขาใจยังไหนเนี้ยนั่นก็เป็นเหตุผลว่าทำไมออกกายเป็นฐานดีที่สุดเพราะพอพอพอพอจิตเลอกใจมาตั้งที่ฐานที่กายสักพักหนึ่งมันจะอยู่ได้นานไหมทาไมอ่ะเ <üç S 1> พราะมันเป็นคนละอย่างมันไม่ใช่อันเดียวกันยังไงยังไงมันก็อยู่ด้วยกันได้ไม่ตลอดใช่หรือไม่ภาวะแห่งความเป็นทุกข์ขังความที่ทนอยู่ไม่ได้ เขาจะผลักดันให้มันหลุดออกไปเองตัวของมันเองนั่นแหละที่ทนอยู่ด้วยกันไม่ได้มันก็จะแยกออกไปเองพร้อมแยกออกไปเองเราเห็นไหมพอเห็นปับ๊บอ้าวอะไรวะเนี่ยไอ้ตัวนี้เดินไปเดินมาอยู่ตรงเนี้ยไม่ได้ไปไหนแต่อัเนี้ยโอ้โหไปต่างประเทศก็ได้ไปในอดีตก็ได้ไปในอนาคตก็ได้ไปให้เข้าหมาก็ได้ไปเลี้ยงลูกก็ได้ไอันนี้ไม่ไปไหนหายใจพผงะบผงะบผงะ บ, บอยู่แค่นั้นเข้าใจความหมายไหมไอันนี้ก็นั่งยกมืออยู่เนี้ยสามสิบนาทียก อ, อยู่เนี้ย ทำอะไรมากกว่านี้ไม่นั่งยกมืออยู่แค่นี้ฮะแต่ไอตัวนั้นโว้วิ่งไปเลยสารพัดเลยภายในสามสิบนาทีนี้ไปเป็นร้อยเรื่องเลยสร้างเรื่องราวขึ้นมาเป็นร้อยเรื่องสร้างงานขึ้นมาตั้งร้อยงานแต่อ้นเนี้ยมีงานเดียวนี่ไงการเอากายเป็นฐานมันทำให้เห็นอย่างนี้สองอย่างแล้วนะหนึ่งกายมันมีอยู่แล้วสอง มันเปิดโอกาสต่อไปทําให้เราเห็นกายกับจิตยแยกออกจากกัน 3. การเอากายเป็นฐานมันจะมีสิ่งอีกหนึ่งก็คือเมื่อจิตกลับมารู้กับกายและสังเกตกายมากขึ้นพออยู่กับเนื้อกับต่อมากขึ้นมันจะเริ่มสังเกตเห็นกายจากนั้นมันจะเห็นกายอยู่ภายใต้ใตกฎภรไตรลักษณ์เห็นอกักขริยาอื่นที่บ่งบอกถึงความทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ของกายที่มันจะแสดงออก เข้าใจไหมเดี๋ยวก็ปวดตรงนั้นเดี๋ยวก็ปวดตรงนี้เดี๋ยวก็เมื่อยตรงนั้นเดี๋ยวก็มาอยตรงนี้เดี๋ยวก็คันตรงนั้นเดี๋วคันตรงนี้เดี๋ยก็ตกทุกข์เองอาใช่ไม่ใช่เออสักพักตากรพริบปั๊บปัอ้าวมากระพริบทําไมวะเนี่ยเออสักพักหายใจไม่สะดวกอึดอัดว่าเอ้าเฮ้ยหายใจก็มีทุกข์นี่วะโอ้เข้าใจย่างเห็นเนี่ยมันเริ่มเห็นกลายเป็นก้อนทุกข์นี่พอมาเห็นกลายเป็นก้อนทุกข์แปลว่าเห็นความเป็นทุกข์ขัง เหต ก, การที่กายแสดงออกไปเองนั่นเป็นอนัตตาเข้าใจยังทีนี้เพราะการออกกายเป็นฐานอา น, นิสงส์ดีไหมนี่ไงพระพุทธเจ้าจึงบอกว่ากายเป็นฐานดีที่สุดนะทีนี้พอพูดมาถึงตรงนี้ปุ๊บจะเห็นว่ามันมีความคิดอีกหนึ่งที่ปรากฏออกมาเองใช่ไหมเพยคิดใช่ป่ะซึ่งไอ้ตรงนี้แหละที่หลวงปู่ดุลบอกว่า ก็ต้องอาศัยความคิดแน่แหละจึงจะรู้นั่นหมายความว่าไอ้ความคิดแบบเผยคิดที่ปรากฏขึ้นถ้าเราไปรู้ทันกับมันไปรู้ทันกับมันรู้ทันกับมันบ่อยครั้งบ่อยคงบ่อยครั้งเขาเราจะเห็ น, นกลไกการทํางานของความคิดเราจะเห็นเหตุปัจจัยที่ทําให้ความคิดเกิดขึ้นตั้งแต่ไหนตั้งแต่บางครั้ง มีอายตนะกระทบกันรูปมากระทบตาใจก็คิดเสียงกระทบหูใจก็คิ ด, จ, คดจมูกได้กลิ่นใจก็คิดเข้าใจไหมฮะนี่เห็นไหมเริ่มเห็นกระบวนการเหตุปัจจัยที่ทำให้เกิดความคิดยังไม่พออีกพอไปรู้ทันอีกเห็นที่อ้อาวความคิดแบบแรกปาถมภูมิคือสัญญาเสียงกระทบปับ๊บ มันจะเกิดคำตอบขึ้นว่านี่คือเสียงอะไรได้ยินไหมขอบคุณมีบทเรียนทันทีเลยเมื่อกี้ได้ยินเสียงปั๊บเป็นไงสัญญามันบอกว่านี่คือเสียงอะไรเสียงอะไรเสียงเพลงแล้วหมายรู้ว่าเสียงเพลงนี้มันดังมาจากโทรศัพท์ใช่หรือไม่ เพราะสัญญาเข้ามาทำงานใช่ไหมถ้าหยุดแค่นี้จบไหมจบแต่ถ้าแบบเฮ้ยเขาบอกไม่ใช้โทรศัพท์ว่าเขาไม่ตรงนี้ยังจะเปิดอยู่อันนี้คือสังขารแล้วปรุงแต่งไปด้วยความไม่พอใจแล้วใช่หรือไม่เป็นทุกข์แล้วเห็นยังเพราะฉะนั้นไอ้ตัวสัญญากับไอ้ตัวสังขารมันต่างกัน ต, ตรงไหนสัญญาไม่ได้ทำให้เป็นทุกข์ สัญญาไม่ได้ทำให้เป็นทุกข์สัญญาแค่บอกว่านี่คืออะไรหมายถึงอะไรแต่ที่มันออกไปกว่านั้นนั่นเนี่ยคือสังขารและผลสุดท้ายของสังขารก็คือสุขทุกข์เข้าใจยังเห็นนะอเพราะสังขารจะนําพาไปเป็นสุขเป็นทุกข์ชัดไหมทีนี้เห็นไหมพอเริ่มรู้ทันความผัวคิดเห็นยังทีเนี้ยทําไมหลวงปู่ดุลย์ถึงบอกว่าก็ต้องก็ต้อง ต้องอาศัยคิดนั่นแหละถึงจะรู้รู้อะไรอะ่ะหนึ่งรู้การทำงานของ อ, อาณาจะรรู้อะไรอีกรู้กลไกการทำงานของความคิดในรูปแบบของสัญญาขันเข้ามาทำงานสังขารละขันเข้ามาทำงานโอ้รู้อะไรอีกรู้ทันเร็วขึ้นเห็นการทำงานของปฏิจจสมุปบาทในรูปแบบของการเกิดขึ้นในความคิดนั้นความเป็นพบเป็นชาติความเป็นอัตราตัวตน ควา ม, มีอุปท า, านเข้าไปยึดมั่นถึงมันกับสิ่งที่มันปรุงขึ้นมาโอ้เข้าใจอย่างนี้ไหมความคิดผสมภูมิก็คือเรื่องของความคิดแบบสัญญาความคิดแบบทุติยภูมิคือความคิดที่มันปรุงแต่งขึ้นมาอีกความคิดแบบตาใจภูมิคือภาวะที่มันมีตันหาอุปท า, านเข้าไปแทรกอีกเข้าไปยึดในสิ่งที่มันปรุงอีกครั้งหนึ่งเข้าใจความหมายไหมก็เกิดเป็นทุกโว่ นั้นพอเห็นทุกเกิดอะไรจะตามมาอีกการดับทุกข์ก็จะทำได้เขา้าใจยางนไหเพราะฉะนั้นการรู้ทันความคิดแบบเผอคิดเนี่ยมันคือเป็นเส้นทางแห่งการนำพาสู่โล ก, กุตละคือการพ้นทุกข์ทีนี้เขา้าใจยังอาจารย์ทึงบอกว่าใครจะอธิบายคำพูดหลวงปู่ดุลว่ายังไงฉันไม่แคร์ แต่ฉันจะอธิบายแบบนี้แล้วใครจะเข้าใจหรือไม่สนใจฉันก็ไม่แคร์เพราะฉันพูดจากเราพูดจากประสบการณ์เราไม่ใช่คือไม่ไม่พูดจากการคิดเอาเข้าใจความหมายไหมไม่ได้พูดจากการคิดเอาตักกะคเนคาดว่าสงสัยน่าจะใช่มั้ง no แมนคักนี่ เราพูดออกไปผ่านประสบการณ์นี้แม่นคักคือใช่แล้วใช่เลยมันเป็นเช่นนี้แหละเข้าใจไหมแม่นอีรีเนะี่ย <c oughs> <c oughs> คือมันยืนยันได้ประสบการณ์ว่ากระบวนการที่เราเห็นมันคืออย่างนี้จริงๆเพราะฉะนั้นก็จะเห็นเลยว่าทําไมอาจารย์ถึงบอกว่าอ่านใจตัวเองให้ออกแล้วอาจารย์ก็นเน้นย้ำกันว่าที่ว่าอ่านใจตัวเองให้ออกก็คือรู้เท่าทาันความ ความเผลอคิดเน้นย้ำเข้าใจไหมรู้ต้องทันความเผลอคิดยืนยันเพื่อให้เราเข้าใจว่าสิ่งที่คุณต้องทําต่อการเรียนรู้เรื่องทุกและการดับทุกคือคุณต้องไปรู้ทันความเผลอคิดนี่แหละแยกให้เป็นระหว่างเผลอคิดกับตั้งใ จ, ใใจคิดหลวงปู่เทียนพูดเรื่องนี้นะต้อเผลอคิดกับตั้งใจคิดเนะี่ย อหลวงพ่าคำเขียนก็นเน้นย้ํำเข้าใจมอืมเพราะฉะนั้นการที่อาจารย์พยายามเน้นย้ากับพวกเราอีกครั้งหนึ่งคือต้องการยืนยันว่าคุณต้องถ้าคุณอยากเข้าใจตามที่ครูบาอาจารย์สอนคุณต้องเดินบนเส้นนี้อืย้าให้ฟังอีกครั้งหนึ่งเลว่าหลวงปู่เทียนพูดเรื่องนี้หลวงพ่อคำเขียนพูดเรื่องนี้ และอาจารย์คันชิตก็นเนนย้ำเรื่องนี้ไม่ได้บอกว่าเอาตัวไปเทียบครูบาอาจารณ์นะแต่ขอเป็นติ่งเป็นติ่งหลวงปู่เทียนเป็นติ่งหลวงพ่อข้ามเขียนเพื่อจะเชียร์อัพสนับสนุนเข้าใจความหมายไหมจะอัพสนับสนุนว่าใช่แล้วใช่แล้วมาทางนี้มาทางนี้นี่เนินเรื่องครูบาอาจารย์พูดอย่างนี้ตามมาตามมาตามมาเข้าใจไหมเป็นกองเชียร์เขเอา เพื่อยืนยันว่าต้องมาอย่างนี้นะต้องทาอย่างนี้นะอืมเพราะฉะนั้นการอ่านใจตัวเองให้ออกก็คือการรู้ทันความเน้นยำ้ำเน้นยำ้ำรู้ทันความเผอคิดให้ได้บอกใจตัวเองให้เป็นบอกใจตัวเองให้เป็นคืออะไรทักท้วงตรวจสอบ กับกระบวนการคิดที่ปรากฏขึ้นเข้าใจไหมแล้วที่สำคัญคือกลับมารู้สึกตัวให้ได้เข้าใจไหมทักท้วงตรวจสอบถูกผิดใช่ไม่ใช่อะไรก็ตามมันเกิดขึ้นปั๊บอย่างนั้นแล้วให้เห็นมันแล้วก็ต้องสามารถกลับมารู้สึกตัวคือไม่ตกอยู่ ภายใต้อำนาจของมันบอกมันได้ไปว่าเราอยู่เหนือมันใช่ไหมแปลว่าเราไม่เข้าไปเป็นกับมันใช่ไหมบอกใจตัวเองให้เป็นเพื่อกลับมารู้สึกตัวได้ทักท้วงตรวจสอบกับความคิดเผยคิดที่ปรากฏขึ้นนั้นทักท้วงตรวจสอบกับความเผยคิดที่ปรากฏขึ้นนั้นแล้วเราก็กลับมารู้สึกตัวบอกใจตัวเองให้เป็นเห็นใจตัวเองให้ชัด การเห็นใจตัวเองชัดก็คือเห็นกระบวนการเผยคิดนี่แหละให้มันชัด เ, เมื่อเราเห็นกระบวนการของจิตที่มันหลุดไปหลุดจักฐานไปแล้วก็สร้างกระบวนการเป็นความคิดขึ้นมาเข้าใจไหมเสร็จแล้วเรากลับมารู้สึกตัวได้พับเนี่ยความเผยคิดนั้นจะเป็นยังไงมันจะดับลงเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นเห็นใจตัวเองชัดคือเห็นตามกฎพระไตรลัก เห็นความไร้สาระเห็นความไม่เป็นแก่นสารเข้าใจไหมเห็นความไร้สาระเห็นความไม่เป็นแก่นสารของความรู้สึกความนึกคิดและอารมณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นอะที่มันไปปรุงอะเข้าใจไหมเออเนี่ยเห็นใจเองให้ชัดตรงเนี้ยเห็นจนถึงขั้นว่ามันไม่เป็นแก่นสารมันไม่เป็นสาระใดเลยมันเป็นไปตามกฎพาะไตรลัก เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่ใช่ท่องเอานะเห็นมันนะเห็นมันในชัดคือเห็นกระบวนการมันตลอดสายที่มันเกิดขึ้นนั้นแล้วก็ดับไปตอนหน้าต่อตาเราเข้าใจความหมายไหมนี่คือเรื่องสําคัญเพราะฉะนั้นเมื่อเห็นอย่างนี้ชัดอันสุดท้ายคือจั ด, จด <Okay. S 1> ใจตัวเองให้ถูกก็คือจัดใจเรา เพื่อจะให้เรียนรู้เรื่องทุกข์และการดับทุกข์และที่สำคัญคือเมื่อเราเข้าใจความจริงอย่างนั้นใจเราก็าไม่ได้เป็นอะไรต่อไปอจัดใจตัวเองให้ถูกก็คือจัดอยู่ในตำแหน่งที่ไม่ได้เป็นอะไรไม่ได้เป็นกับสิ่งใดทั้งนั้นเข้าใจไหมเออ ไม่ได้เป็นกับอาการของกายของใจอีกต่อไปที่หลวงพ่อคำเกียนท่านพูดจะให้ถูกโดยเฉพาะจัดใจให้เรียนรู้เรื่องทุกข์และการดับทุกข์เนี่ยสำคัญมากเนาะเพราะอ่านใจตัวเองให้ออกบอกใจ เ, ใหเห็นใจจัดใจใสี่คาถานี้เข้าใจไ้ย สี่าถานี้จาให้ขึ้นใจนะโดยเฉพาะกลไกการรู้ทันใจที่มันเผลอคิดเนี่ยนะต้องต้องต้องให้ทันตัวนี้ให้ดีนะ <c oughs> เมื่อเราเข้าใจตรงนี้ปุ๊บเราก็เห็นว่าอ๋อี่แท้แล้วในกระบวนการของการที่การเจริญสติของเราเนี่ย ก็คือเราสร้างความรู้สึกตัวเพื่อตั้งฐานให้มีวิหารธรรมให้มีธรรมันเป็นเครื่องอาศัยของจิตใจเราจากนั้นเราเราก็จะเกิดการเห็นหรือสังเกตเห็นถึงธรรมชาติของใจที่มันจะแปรปรวนที่มันจะเป็นนั่นเป็นนี่สารพัดเนี่ยเพราะฉะนั้นการเจริญสติตามแนวทางของหลวงพ่อเทียนจึงไม่ใช่การตะบี้ตะบันกับการรู้กับกายขั้นไว เพียงอย่างเดียวเข้าใจไหมไม่ใช่หลับหูหลับตาตบี้ตะวันดูการเคลื่อนไหวอย่างเดียวไม่ใช่เพราะนิยามการปฏิบัตธิธรรมของหลวงปู่เทนคือเห็นกายเคลื่อนไหวเห็นใจนึกคิดแปลว่าท่านให้เราเห็นกี่อย่างสองอย่างเห็ น, นกายผ่านอิริยาบถเห็ น, นใจผ่านความคิด อันนี้มันเป็นนิยามที่เราต้องเข้าใจให้ดีเพราะภาวะผู้รู้ผู้ดูที่เด่นขึ้นจนเห็นกายเป็นเพียงวัตถุบางอย่างแล้วก็มีอาการต่างเห็นใจเป็นเพียงวัตถุบางอย่างแล้วก็มีอาการต่างสิ่งเหล่านี้แหละมันจะทำให้เรานั้นเข้าใจเส้นทางการปฏิบัติได้นะอย่าไปหลงลัทธิตั้งมั่นกับการเคลื่อนไหวซะจน เขาจริงๆมันกลายเป็นเข้าสมถะไปโดยไม่รู้ตัวนะถ้าคุณมุ่งมั่นกับการเคลื่อนไหวมากเกินไปงั้นแปลว่าเคลื่อนไหวน้อยๆไปดูความคิดให้เยอะขึ้นใช่ไหมไม่ใช่เคลื่อนไหวให้สบายๆเข้าใจไหมโดยตั้งในใจว่ารู้บ้างหลงบ้างช่างมัน เข้าใจไหมเมื่อทำใจสบายๆแบบนี้โอ้มันไม่เครียดแล้วนะเออรู้บ้างหลงบ้างช่างมันมเห็นไหมเหมือนมันเราตั้งเป้าไว้งี้ปุ๊บเนี่ยมันทำให้ใจเราคลายนะสมัสยก่อนกลัวผีมากเลยบวชใหม่ๆกลัวผีไปอ่านเจอในหนังสือเล่มหนึ่งครูบาอาจารย์บอกว่าพระอริยะเจา้าถึงจะเห็นผีสบายใจเลยกู <c oughs> <c oughs> แต่พระโสดาบันขึ้นไปถึงจะเห็นผีไม่รู้จริงไม่จริงอ่ะเข้าใจความหมายนะแต่คําพูดนั้นมันปลดปลดเราอะ่ะคือจริงไม่จริงไม่รู้แต่ช่วยกูแล้วงานนี้เพราะเพราะมันยืนอย่างกูไม่ใช่พระเรียกเจ้าโอ้ช่วงนี้ช่วงีเพราะกูไม่หวนเห็นผีคือมันสบายใจขึ้นน่ะคุณเข้าใจใ้ความหมายไหมวันนี้อาจารย์บอกเมื่อกี้ว่าถ้าคุณลองตั้งใจว่ารู้บ้างหลงบ้าง ช่างมันจะทำให้คนรู้สึกยังไงสบายสบายเออรู้ก็รู้เหลงเหก็รู้เลยเว้ยทีเนี้ยเข้าใจไหมทีนี้รู้บ้างหลงบ้างช่างมันแต่พอตั้งใจจะรู้อย่างเดียวลงไปแล้วกูยังไม่รู้เลยว่ากูหลงเพราะใจมันไม่ไม่นุ่มนวลอ่ะเข้าใจความหมายไหมเออกรรมฐานมันไม่นุ่มนวลอ่ะมันมันแข็งกระด้างอ่ะกรรมฐานมันแข็งกระด้างอ่ะมันเป็นเหล็กแผ่นน่ะมันไม่ใช่เหล็กโซ่ ก็จะนะเป็นเหล็กแผ่นไม่ เ, เล็กโซ่แบบเตี้ยตามพุ่นมะช้าใช่ปะ่ะแต่ถ้าเป็นเล็กโซ่ปุ๊บมันจะมีความนุ่มนวล น, นะรู้อะรู้อ่าใจอยู่ที่กายเออใจอยู่ที่ฐาน เ, าเห็นแล้วก็ภาวะรู้ที่มันรู้กระฐานที่เคลื่อนไหวนี่ไงคือใจอยู่ที่ฐานเอ๋อใจหลงออกไปนะเพราะมันหลงออกไปละกลายเป็นความคิดอืเห็นแล้วเห็นไหมอเอใจกลับมาแล้วมารู้ตรงนี้ล้วนี่ไงถ้าสบายสบายเมื่อไหร่ปุ๊บอยู่ก็รู้ ออกไปก็รู้กลับมาก็รู้อยู่ก็รู้ออกไปก็รู้กลับมารู้ตัวลงอะไรอะไรที่เด่นที่สุดรู้ไงรู้ไงคือคือคือคือตัวตอบคือตัวตอบสุดท้าย <c oughs> ไม่ใช่อยู่ไม่ใช่ไปไม่ใช่กลับเข้าใจไหมอยู่ก็ถูกรู้ว่าอยู่ หลงออกไปก็ถูกรู้ว่าหลงออกไปกลับมาได้ก็ถูกรู้ว่ากลับมาได้ตกลงอะไรแน่นวนที่สุดรู้เพราะฉะนั้นอยู่ก็รู้หลงก็รู้หลงไปแล้วรู้ว่าหลงก็คือรู้หลวงพ่อคำแก่นที่บอกว่ามันมันหลงก็เปลี่ยนเป็นรู้เนี่ยยอดหลงมา ตัดหัวมันออกเอารู้เสียบแทนรู <c oughs> <c oughs> ้มารู้เอารูเา้เสียบเออลงไปก็เอารู้เสียบนลวงอเด็ดหัวมันออกเอารู้เสียบ อ, อ, อย่างเดียวหล อ, อ, องพ่อก็จะความหมายไหมเออมันลงก็รู้เสียบ เ, เสียบเอารู้เสียบอย่างเดียวเลยรู้รู้รู้รู้คือให้รู้กับมันเออมันยังไม่รู้ก็ยังไม่รู้แต่ถ้ามันยังไม่รู้แล้วยังรู้ยังไม่รู้ก็แปลว่ารู้แล้ว คือคำพูดกลวงพ่อนะให้กําลังใจเรามากเลยอะ่ะเออทั้งมันเถอะรู้อย่างเดียวว่าอืย่าไปเอาถูกเอาผิดกับมันอย่าซ้ําเติมอย่าไปซ้ําเติมมันหลงอีกละมันจะหลงอะไรตั้งนาวะนี่มันกลับมารู้ตั้งนานแล้วนะมันยังหลงต่ออย่า <laughs> งจะพาตัวเองไปหลงอีกนะคือมันกลับมาแล้วนะมันถึงรู้ตัวเองหลงใช่ไหม แตยังยังท้าเรื่องพาตัวเองไปหลงต่ออีกฮะหลงก็ได้หงาลงอะไรกันนะลงอะไรกันนะกันนะยังไปไปเอาความหลงพาตัวเองไปไปโกรธไปไม่พอใจต่ออีกนะเข้าใจไหมเออทั้งที่ที่กลับมาได้แล้วคิดดูคนเราเนอะฮํามื่อหลงไปแล้วปุ๊บอ๋อกลับมาได้แล้วอ๋โอเคโอเคกลับมาแล้ะกลับมาแล้วเออดีจังดีจังดีเนาะกลับมาได้แล้วเออบักลากรคาดีแล้วดีแล้วเนาะ ให้เราเข้าใจอย่างนี้ปุ๊บเราจะรู้เลยว่าเ อ, อการปฏิบัติมั น, มนง่ายๆมันไม่ได้ลบาบากอะไรเลยเนี่ยทาสบายๆแบบเนี้ยทีนี้พอเราเข้าใจที่จะแบ่งเป็นเนาะคือคือคื อ, คอเรื่องสำคัญตรงนี้คือเราเราต้องลองมองความอย่างที่อาจารย์บอกว่าเห็นใจตัวเองให้ชัดคือคือมองเห็นความเผลอคิดให้มันเป็นนะเข้าใจไหม มองความเผอคิดให้ทันเห็นความเผอคิดให้มันทันให้รู้ทันความเผอคิดแล้วเห็นความเผอคิดแยกให้เป็นชัดเจนคือแยกเป็นความชัดเจนของมันคือการแยกเป็นว่าเนี่ยความคิดนะเอออันเนี้ย ก, กายที่เคลด่อนไหวนะทำไมอาจารย์ถึงอยากให้เห็นมันชัดเพราะว่ายกตัวอย่างเมื่อวาน เมื่อวานนี้เป็นวันที่สิบสามใช่ปะ่ะส3ามตุลาคมคือวันอะไ ร, ระ อ, อ, อ่าวันวันระลึกถึงการสวรรคตของในหลวงรัชกาลที่เก้าเมื่อวานนี้เราก็มีกิจกรรมกันเยอะแยะมากมายเนาะอ่าที่คอร์สของอาจารย์ที่ค้างอยู่ต่เนี่โดดมาเนี่ยนี่โดดคิวไหม อาทิตย์นี้นี่สามคอร์ซ้อนกันสามคอร์ซ้อนกันพวกวานต้องไปปิดคอร์อีกคอ ร, อคอรหนึ่งอาศัยว่าสอนสอนหลวงพี่ยังหลวงพี่ตุ้ยแกก็ตั้งใจปฏิบัติแล้วแกก็เข้าใจสามารถสามารถยืนยืนหมายว่า เยินโยงสู้สู้งานให้เราได้อะเข้าใจความหมายไหมเอ้าไม่ได้พูดเล่นนะถ้าไม่เข้าใจนะมันอยู่ไม่ได้ทั้งวันเลยนะมันพายุมปฏิบัติไม่ได้ทั้งวันหรอกเข้าใจไหมอืมถ้าไม่เข้าใจเนี่ยถ้าไม่ได้เข้าใจธรรมะนะมันจะอดทนอดกลั้นที่จะทําคือใช้การขงแต่ถ้าคนเข้าใจธรรมะคือขณะที่พายุมทําไปกูก็เรียนรู้ไปด้วย เ ข, ข้าใจคามหมาไหมันก็เป็นการปฏิบัติเป็นในตัวมันก็อยู่ได้ตลอดวันนี่คือลักษณะของคู้ปฏิบัติเป็นแล้วเข้าใจแล้วมันเป็นอย่างนั้นได้มันไม่ต้องใช้ความอดทนอดขั้นที่จะทนอยู่ให้ได้ครูบาอาจารย์สั่งไม่ใช่อันนี้คือเราเราก็ภูมิใจในหลวงพิทุยเนาะอย่าไปบอกแกนะเดียกกรเหลือง <laughs> แต่ให้แกเหลือบอกแกก็ดีนะแกได้เหลืง <laughs> พอแกเห ล, ลือปุ๊บแกอ้ยทูกทกก เข้าใจไหมเพราะแกหลงเหลือพวกแกอุ้ยท str ุกทกทุกทุกทุกทุกทุกทุกกลับมากลมาเพราะแกจะรู้แกทุกเพราะแกรู้แกทุกกลับมากลับมากลับมาเพราะอะไรเพราะผู้เข้าใจเรื่องอาปฏิบัติแล้วเขาจะมองอย่างเดียวก็คือทุกยังทุกคือสิ่งที่ต้องกำหนดรู้อืมเขาจะกำหนดรู้ทันทีว่าขณะนี้เขาเป็นทุกหรือไม่ทุก ถ้าเป็นทุกก็ดับทุกจ้ะเพราะผู้เจ้าสอนเรื่องทุกและการดับทุก <laughs> เห็นไหมอาจารย์ที่บอกว่าตัวแก่นของพุทธศาสนาอยู่ที่การเรียนรู้เรื่องทุกและการดับทุกนั่นแนหะอืมอาศัยว่าหลวงพี่ตุ้ยแกเก็ เ, เป็นเป็นมือเป็นแขนเป็นช่วยเราได้แล้วอืมก็เลยบอก วันแรกก็ไปเปิดงานที่นี่เปิดปุ๊บ ป, ปวันที่สองก็ไปเปิดงานที่นั่นวันที่สามเอาหลงพีตุ้ยไปทิ้งไว้แล้วก็มาทำงานที่นี่เข้าใจไหมวันที่สี่ก็ไปปิดงานวันที่ห้าเดมานี่แลนจเย็นนี้กลับไปหกเจ็ดก็ปิดงานที่นั่นราะอาทิตย์นี้ออกมาทีเดียวสามงาน ถามว่าทำไมทำเยอะๆไม่ได้อยากทำแต่ปฏิเสธคนไม่เป็นปฏิเสธเขาไม่ค่อยได้วะเขาก็เขานี้มน <curs CDU S 1> ีเขาก็ต้องการเนาะเราก็คิดว่าเออว่าที่เขาต้องการรีบมาดีกว่าดีกว่าเขาไม่ต้องการถ้าวันหนนี้เขาไม่ต้องการแล้วมันลำบากไม่ใช่ไม่ต้องการเรานะ หมายถึเขาไม่ต้องการเรียนรู้ธรรมะแล้ว่ะมันก็ยากใช่ป่ะแต่ถ้าวันนี้เขาอยากเขาต้องการเรียนธรรมะเรารีบมาใช่ป่ะบีกโอกาสนิดนึงก็ยังดีเพราะหลวงพ่อบอกว่าอาจารย์กชิศสอนกรรมฐานนะ่ยสอนไปเหอะช่วช้างกระดิกขขหูช่วยงูเล็บลิ้นเขาสอนไปแล้วเขาจะเขาไม่เข้าใจวันนี้เขาไม่ใจะเข้าใจพรุ่งนี้เขาไม่เข้าใจปีนี้ไม่เข้าใจปีห น, น้าก็ไม่เป็นไรแต่วันใดที่ความทุกข์มาเยือนเขา เขาจะระลึกได้ว่าเขาเคยเรียนกับเราเดี๋ยวเขาจะใช้วิชาที่เราสอนนั่นแหละพาเขาออกจากทุกข์อันนี้คือสิ่งที่หลวงพ่อคำแก่นท่านพูดเสมอเข้าใจไหมเราก็จะถือว่าไปไปไปถามมันเหนื่อยไหมนี่กายหลับแป๊บเดี๋ยวก็หายเพราะเราไม่เคยเหน่ใจเนี่กายมันหลับมัหายเ่ราะ เออแต่เราไม่เคยเหนื่อยใจเพราะเรนสบายสบายฮ <c oughs> ะก็กระบวนการมันก็เป็นอยี่ยเมื่อวานเนี้ย ก, ก็เลยแบบว่าที่คอร์ส <c oughs> ที่คอร์ส ต, ตอนเย็นตอนเย็นกลับมาจากปิดคอร์สที่นวดกลับมาคอร์สนี้ตอนเย็นก็เลยเขาก็เลยเปิดเปิดวีดิทัศน์งานแห่ งานแห่อัญเชิญพระบรมศมพขึ้นสู่พระเมรุ ม, มาติใช่ไหม เ, เขาเปิดไงมันไม่มีในทีวีหรอกเขามีในวีดีโอทูบเขาเปิดขึ้นจอก็ดูกันดูกันภาพบนจอก็เคลื่อนไปตามลำดับของภาพตาม การการดำเนินการและการตัดต่อของคุมกับที่จะนำเสนอภาพแบบไหนมุมไหนอะไรยังไงใช่ไหมคนดูคนดูก็นั่งดูไปอาจารย์ก็นั่งนั่งมองดูพวกเขาด้วยนั่งมองจอไปก็มองดูดูดูทุกคนคือแบบว่าเราไม่ได้ไปจ้องมองดูเขา สมมติจออยู่วันนี้แล้วก็นั่งนองจอระวองจอเสร็จแล้วก็แล้วก็จำเรองมองดูปล่อยทุกอย่างนั้นไปจะมีน้ําตาไหมจะมีร้องไห้ไหมโอ้ไม่ต้องวันนี้ก็แบบได้น้ําตาได้อารมณ์กันเทียบนะทุกคนก็ร้องไห้ในคอร์สนะแล้วก็นั่ง เราก็เห็นนะเห็นเห็นเห็นความรู้สึกมันเกิดขึ้นเห็นเหนแล้วก็ว่าวาไม่ใช่มันไม่มีนะเพราะเราเป็นคนความรู้สึกเป็นเรื่องปกติขันมันก็ทำงานก็ใจความหมายไหมเองอแต่ว่าพอเราไม่เข้าไปไม่ไปลองรับกับการทำงานของมัน มันก็ไม่อาจมีที่ตั้งพอมันไม่มีที่ตั้งก็อย่างลากลงไม่ได้มันก็มันก็เป็นหมันไปมันจะผุดขึ้นมาใหม่มันก็เป็นหมนต่อไปเข้าจใจความหมายใช่ไม่ที่พูดเนี่ยเออขอบคุณเสร็จล้วก็ปล่อยให้ทุกอย่างผ่านไปจนพิธีกรรมเริ่มวัดเสร็จเมื่อคืนแล้วก็ พวกเราเมื่อกี้เห็นเห็นหนังบนจอไหมทุกคนบอกเห็นเห็นหนังที่ฉายบนจอเนะเรื่องราวภาพภาพยนตร์คือภาพเหตุการณ์ที่เขาถ่ายทํามาไงเขาจะยังมีภาพมีภาพบนจอเนาะที่เขาถ่ายทํามาเห็นไหมทุกคนบอกเห็นแล้วเห็นอีกจอหนึ่งไหม จอที่ใจเราอะที่ใจเราก็มีอีกจอหนึ่งมันก็มีภาพอีกเหตุการณ์เชื่อไหมว่ามันมีเราเห็นภาพบนเนี้ยภาพที่เป็นภาพแห่พะระเมรุภาแห่พระพระบรามศาพ ออกมาใช่ไหมที่เป็นโกรธ อ, อ, อ่ะอแต่เชื่อไหมว่าภาพในจอเราคืออะไรภาพในจอใจเราคืออะไรเป็นภาพเรื่องราวที่พระองค์ทําทำ ร, ะชะราชกิจทางการเมืองต่างๆที่เราเคยรู้เลยเข้าใจไหมตาเราเห็นตรงนั้น่ะแต่ใจเราก็เป็นอีกเรื่องหนึง่งโดยเฉพาะถ้าเราเคยมีความเคย เคยได้รับพระมหาการุณาธิคุณหรือว่าเราเคยได้เกี่ยวพันที่เกี่ยวข้องเคยได้สนองงานเคยไดไ้หรืออะไรก็ตามที่เคยทำงานเกี่ยวข้องกับพระองค์ท่านแล้วเคยเห็นพระองค์ท่านกับตาตัวเองตัวเราเองโอ้ไม่ต้องห่วงฮนะจอใจเรานี่สร้างเยอะมากตานี่เห็นอยู่ฮนะเห็นภาพขบวนแห่แต่ไอจอใจเราเนี่ย เป็นเรื่องราวที่โรดเล่นมาของพระ อ, องค์ท่านเป็นเรื่องการทำงานเป็นเรื่องการที่ทรงงานนั้นนี่ทำเมตตาการุณาของพระ อ, องค์ที่แสดงออกกับประชาชนชาวไทยมันเป็นภาพอีกภาพหนึ่งตรงนั้นดังหากที่ทำเป็นน้าตารพรังพลูใช่หรือไม่ถูกไหมภาพพระบรม โ, มโกศกับขบวนแห่ เป็นแค่ภาพที่มากัดตุ้นตาแล้วเราก็ฉายฉายหนังเราเองฉายหนังของเราที่เราสร้างเองกำกับเองเกี่ยวกับเรื่องของพระองค์ท่านใช่หรือไม่เราเป็นทั้งผู้สร้างเป็นทั้งผู้เป็นผู้อานวยการสร้างเป็นผู้กำับเป็นโปรดิวเซอร์เป็นผู้ตัดต่อในขณะเดียวกัน เป็นผูด้ดูและผู้ให้รางวัลเราอยากสร้างแบบมาอยู่ในใจเราหมดอ่ะเขาใจความรู้สึกไหมที่เกิดขึ้นกันเลยบอกพวกเราเห็นจอข้างนอกแล้วได้เห็นจอในใจไหมทุกคนบอกอ้นั่นแหละนั่นคืการทำงานของ นา ม, มารูปการทำงานของความคิดที่ถูกสร้างขึ้นในรูปแบบของนา ม, มารูปเป็นสลายธนณะเกิดรูปเสียงกภภลิ่นรสผลภัณธรมารมณ์ที่ถูกสร้างขึ้นใหม่ภายในใจเป็นมโนปัสสะจึงมีเวทนาทางใจต่อเนื่องเกิดตันหาอุปาทานต่อมีพบชาติเข้ารองรับน้ำตาจึงพลั้งครูออกมา แต่ถามฟาทุกไหมมันมีทั้งทุกแล้วก็มีทั้งสุขตนบางครั้งเราแยกอารมณ์นั้นไม่ออกว่าเราสุขหรือทุกแต่มันทุกมากกว่าสุขแต่พอคิดถึงพระองค์ทำงานเราก็สุขแต่พอคิดถึงพระองค์จากไวเราก็ทุกเข้าใจความหมายไหมมันสลับกันไปสลับกันมาอย่างนั้นอยู่ในใจเราเข้าใจไหมมันมีฉากทั้งสุขทั้งทุก พอเราคิดถึงพระองค์ทำงานเราก็เป็นสุขแต่พอมองไปเห็นพระบรมโอกรก็ทุกข์ว น, นเวียนอยู่อย่างเงี้ยได้สังเกตดูไหมไร้บอกเนอะเห็นไหมระบบแห่งความคิดที่มันปรากฏขึ้นเราเคยได้สังเกตเราเคยได้เรียนรู้เรื่องราวเหล่านี้ไหมอืมไม่เคยเลยเหรอ เคยไ้ยดูไหมอันนี้คือกุญแจตัวสำคัญของการที่เรียนรู้เรื่องทุกและการดับถูกนั่นแหละคือเหตุผลว่าทำไมหลวงปู่เทียนจึงบอกว่าให้รู้ทันความคิดทำไมท่านถึงสอนให้เรารู้ทันความคิด หลวงปูเทียนไม่เคยบอกให้เราไปหยุดความคิดหรือตัดความคิดแต่ท่านบอกให้เราทำความรู้สึกตัวไว้เพื่อที่จะไปรู้ทันความคิดที่เกิดขึ้นเพราะระบบการทำงานของความคิดคือระบบการทำงานของขันและเมื่อเราเข้าใจการทำงานของขันถ้าไม่รู้ไม่รู้ทัน เราก็จะมีอุปทานในขันเกิดขึ้นแต่ถ้าเรารู้ทันมันก็ถอนอุปทานออกก็เหลือแต่ขันไม่มีอุปทานในขันคือไม่มีความเข้าไปยึดมั่นถือมั่นเอาถูกเอาผิดกับการทำงานของขันเป็นเพียงเห็นขันทำงานจึงเป็นสักแต่ว่า ขันัก แ, นน ก, กแต่ว่าขันทำงานก็จักแต่ว่าขันทำงานไม่ได้มีตัวมีตนของเราเข้าไปเกี่ยวข้องอันนี้แหละเพราะฉะการรู้เท่าทาันความเผือคิดยิ่งยิ่งยิ่งเราหมั่นที่จะรู้ทันและความรู้สึกตัวของเรามันตั้งมั่นขึ้นเร็วขึ้นมากเท่าไหร่มันยิ่งจะเข้าไปเห็นลึกขึ้นชัดขึ้น เข้าใจไหมอะไรที่มันปิดบังซ่อนเลนส์อยู่จริงจงมันไม่ได้ปิดบังซ่อนเลนส์นนะเพียงแต่เครื่องมือของเรามันยังเร็วไม่พอขันมนทำงานของมันซื่อๆตรงๆเข้าใจไหมขันมันทำงานแบบซื่อๆตรงๆมันมันไม่มีปิดบังซ่อนเลนส์ลองเข็มจิ้มขาสิ มันก็เจ็บนั่นแหละใช่หรือไม่เวทนาขันทํางานไหมทําทันทีแต่ถ้ามันไม่ทําสิโอโหลองจิ้มแล้วมันไม่มันไม่เจ็บดีงานนี้อุ <c oughs> จะเป็นอาจารย์กําพลไหมเข้าใจความหมายไหมเอาจะลืมที่อาจารย์พลตกลงไปแล้วตกจมน้ําลงไปใช่ไหมละ่ะแล้วกร ะ, ะดูกคอแตกแล้วตัดเส้นประสาทอ่ะบตั้งแต่นี้ลงไป อ, อาจารย์แกไม่รู้สึกเลย มเข็มจิ้มอะเทสนะ่ะใช่ไหมเอาเข็มเทสปุมไม่กระตุกเลยอะไม่กระตุกเลยครับไม่รับรู้จานก็มไม่เจ็บเลยก็แปลว่าเนี่ยอันตรายแล้วใช่หรือไม่มถ้ามันยังเจ็บอยู่แปลว่ามันปกติเพราะถ้านั่งนานๆแล้วปวดแข้งปวดขาดีไหมดีไหมดีมดบ้างดีแปลว่ายังปกติ ถ้ามันนั่งนานๆแล้วไม่ปวดแข้งบวดขาแปลว่าอมมาพราจะมาเพราะฉะนั้นอันตรายเข้าใจไหมเออหรือไม่หรือไม่เป็นแผลแล้วไม่เจ็บเงี้ยวบหวานหนักแล้วนั่นนะใช่ไหมต้องตัดตัดนิ้วตัดเท้าเบาหวานใช่ป่ะเพราะมันไม่รู้สึกแล้วมันตายอ่ะเข้าใจไหมวันก่อนไปหาหมอเขาก็เทสเท้าอาจารย์เอาเหล็กจิ้มจิ๊ก มีรูปเท้าให้ดูเป็นรูปเท้าจิ้มตำแหน่งไหนให้อันนิ้วจิ้มให้เขาดูเข้าใจไหมนอนงายอันนี้บังหน้าตัวเองไว้แต่มันเป็นแผ่นใสๆไงเขาก็จิ้มเ ม, มื่อจิ้มที่ปลายนิ้วนิวน้วโป้งเท้าใช่ไหมจิ้บแล้วก็จิ้มไปนิ้วป้งเขาไปจิ้มนิ้วก้อยมาเลยปั๊บอะไรแค่ เ, <laughs> เ, เรื่องนี้ <laughs> หรือเขาแบบจิ้มแล้วเราเราไม่รู้ว่า ไม่รู้จิ้มตรงไหนเด้อไม่รู้เลย you know, เป็นเรื Le ่องนะแปลว่าขาเท้าเราเริ่มเริ่มไม่รับรู้อ่ะเข้าใจว่าโอเวทนามันไม่ทํางานแล้อันตรายแล้วเวทนามไม่ไปทำงานอันตรายแล้วใช่ไหะพอเราจิ้มเขาจิ้มบ้างเราจิ้มเขาจิ้มเราจิ้มโอเค่ะยังชัดเจนนะดูดิเขี่ยเขี่ยเขียเบาๆนีรู้สึกรู้สึกรู้สึโอเค โอ้แปลว่ายังไม่อันตรายว่าจะโอ้นะแค่เปตัวทีเดียวจะให้เจออะไรหลายอย่างขนาดนั้นเลยฮะตอนนี้เลยไม่อยากไปหาหมอแล้วไปหาหมอแล้วได้มาไม่อยากเป็นผู้ได้ผู้เป็นเข้าใจไหมเราฝึกเป็นผู้ไม่เป็นผู้ไม่เอาผู้ไม่อยากได้ไม่ใช่ผู้ไม่อยากได้นะเราฝึกไม่เป็นไม่ได้ไม่เอาเข้าใจป้ะ เขถ้าได้ถ้าเอามาเมื่อไหร่เดือดร้อนชาวบ้านเขาอันเนี้ยที่เราให้ฟังก็เคยต้องให้เราเข้าใจว่ามันมีคนไกการทํางานของขันเนี่ยมันตรงตรง ข, งของมันอยู่แล้วมันมันไ ม, ไม่ไม่ปิดบังซ่อนเลนไม่รับลงทางไม่อะไรทั้งนั้นนะ่ะเข้าใจไหมตรงตรงซื่ อ, อ, อสัตย์เพระเวลาพระพุทธเจ้าท่านอธิบายเรื่องพวกเนี้ยเขาจึงบอกว่าเหมือนเปิดของที่ปิดงายของที่ความเพราะว่า ความที่เราไม่เคยเข้าไปสังเกตแต่พอพระเจ้ามาอธิบายปับ๊บแล้วพระองค์บอกให้เราตามไปดูสิมัโอ้นี่ไงพระองค์เปิดให้เราเห็นแล้วนั่นแหละเพรเรื่องเหล่านี้มันมีอยู่แล้วในตัวเรามันไม่ได้อยู่นอกตัวพระเจ้าไม่ได้สอนสิ่งนอกตัวท่านสอนสิ่งที่มีอยู่แล้วเข้าใจไหมเพราะที่อาจารย์เล่ามาทั้งหมดอยู่ในตัวคุณไหม อ, อืมนะเอะเตรียมตัวปฏิบัติ แยกย้ายกันปฏิบัติก็ได้นะถ้าเราอยากจะไปเดินจงกรมไปอะไร <c oughs> <c oughs> ในขณะที่เรา เคลื่อนไปเป็นขณะเป็นขณะเป็นจังหวะเป็นจังหวะไปเราจะเห็นว่าจุดหมายปลา ย, ายทางการปฏิบัติของเราอยู่ที่ไหนอยู่ตรงไหน <c oughs> อยู่ที่ขณะนั่นแหละ <c oughs> <c oughs> อาจริงไม่จริงนี่แหละ ตรงทาทีละขณะนั้นให้ชัดในแต่ละขณะแต่ละขณะของเราไปนะเข้าใจไหมมันหลงก็รู้ว่าหลงในขณะใดมันหลงก็รู้ว่าหลงในขณะใดที่มันรู้ก็รู้เพื่อความ ความตระหนักรู้ในการทําจังหวะหรือการเคลื่อนไหวที่เจังหวะถ้าเราอยู่กับการเคลื่อนไหวทีลเจังหวะอยู่กับการรู้แต่ละขณะที่ปรากฏหลงก็รู้รู้ก็รู้อยู่ก็รู้หลงก็รู้กลับมาก็รู้ถ้าเราอยู่สิ่งนี้ไปเรื่อยๆ เราจะอยู่เหนือการเวลาอยู่เหนือการเวลาอย่างไงเวลาจะไม่มีผลกับเราใช่ไหมเพราะเวลาก็จะผ่านไปทีละขณาเหมือนกันเคยสังเกตไหมว่า เวลามันเมเวลามันมีอิทธิพลที่ทำให้เราเป็นสุขเป็นทุกข์ได้มีไหมมีบ้าอย่าอาจารย์บอกอ้าวทำไปหนึ่งชั่วโมงมันทุกตั้งแต่นาทีแรกอะใช่ไหมหลังจากนั้นมันก็ทุกไปตลอดหนึ่งชั่วโมงนั้นะนะ เกิดความกั้มเกินฟื้นทนที่จะทําไปให้ครบชั่วโมงให้ได้ใช่ไหมแต่ถ้าเรารับรู้ว่าหนึ่งชั่วโมงก็หนึ่งชั่วโมงแต่เราไม่เอาเวลาเร า, เราไม่เอาใจไปผูกพันกับเวลานั้นแต่เราให้ใจเราผูกพันกับการ <c oughs> เคลื่อนไหวแล้วรู้ลงแล้วรู้อยู่ก็รู้เข้าใจความหมายไหมถ้าเราอยู่กับสิ่งนี้ไปเรื่อยเืยเราจะเราจะสัมผัสได้เลยว่า หนึ่งชั่วโมงนั้นมันช่างรวดเร็วและแสนสัน้นจริงมันไม่มีผลกับใจเราเลยถูกไหมอมืมันสมัยหนึ่งสมัยก่อนเนี่ยนะพระอาจารย์เนี่ย ต้องเดินลงจากวัดที่วัดป่าสันติธรรมเนี่ยอยู่บนภูเขาแล้วอาจารย์เนี่ยต้องเดินลงจากภูเขาเพื่อไปขึ้นรถโ ด, ดยสารระยะทาง3มกิโลเมตรเพื่อไปขึ้นรถโ ด, ดยสารที่ถนนดำเพื่อลงจากเขาไปสอนหนังสือห่างจากวัดไปอีก10กิโล ห่างจากปากทางเขาวัดนะอีกสิบกิโลทำอย่างนงี้ยทุกวันเช้าก็เดินลงไปสอนเช้าก็เดินลงไปเย็นก็เดินขึ้นเขากับอตตอนเดินลงสามกิโลเนี่ยง่ายใช่ไหมแต่ตอนขึ้นเขาสามกิโลเนี่ย พระถามมาอาจารย์พระธิวัตรกร็เลยถามอาจารย์ครับอาจารย์เดินลงเดินขึ้นทุกวันเนี่ยต้องไปสอนหนังสือเนี่ยอาจารย์ไม่เหนื่อยนะครับไปกลับหกกิโลนะครับไปก็สมกิโลกลับก็สามกิโเป็นหกกิโลน ดันเหนื่อยไหมครับเหนื่อยเหงื่อออกอยู่ไกลเนาะไปกลับต้องหกกิโลเนะ่พระาจารเลยแบบผมไม่ได้เดินทีละหกกิโลผมเดินทีละเก้า ผมเดินทีละเก้าผมไม่ได้เดินทีละหกกิโลฟังหลวงปูนตอบกวนไหมฮะกวนไหมไม่ได้ตอบกวนอาจารย์ตอบความจริงอาจารย์ตอบความจริงแต่คนเน่ะมันไม่เคยได้รับความจริงมันก็จะรู้สึกว่ากวนใช่ไหม อาก็มันจริงอะ่ะถ้าใจไม่ได้เดินทีละหกกิโลอะ่ะเราเดินทีละเก้าใจของเราไม่ได้อยู่ที่ระยะทางจุดหมายไม่ได้อยู่ที่ปลายทางแต่จุดหมายอยู่ที่ปลายเท้ากวรดีไหม ถ้าจหมายก็อยู่ปลายเท้าอ่ะเขาอรับรู้การเดินทีละก้าวไปทีละก้าวไปใช่ไหมล่ะอืมคุณลองคิดถึงภาพนะคุณเดินขึ้นเขาสามกิโลเนี่ยพอคุณเดินได้สักพักหนึ่งแล้วคุณคิดถึงสามกิโลอ่ะคุณถึงปลายทางสามกิโลอ่ะคุณเดินยังไม่ถึงยี่งกิโลหรอกคุณก็เริ่มมองจุดตำแหน่งที่มันบอกบอกว่าประมาณได้กิโลหรือยัง ใช่หรือไม่ถ้ามันยังไม่ถึ ง, งตำแหน่งที่บอกกันหนึ่งกิโลคนจะรู้สึกไงอีกสองกิโลกว่าถูกไหมเดินมาตั้งนานเดินมาไกล ย, ยังวะอะไรวะกูเดินได้เท่นี้อ่ะถูกไหมถูกใจเราจะไปผูกพันกับระยะทางผูกพันกับเวลา เพราะฉะนั้นเวลาและระยะทางจะมีผลต่อเราเข้าใจไหมเราถ้าคุณไม่สนใจ <c oughs> ก็ในเมื่อวัดอะ่ะมันไม่ได้หนีตามหนีอาจารย์ไปตลอดเลยมันไม่ได้ย้ายหนีอาจารย์ใช่ไหมวัดมันก็อยู่ตรงนั้นแหละใช่หรือไม่ปลายทางมันอยู่วัดก็อยู่ตรงนั้นมันไม่ได้หนีไปไหนไม่ได้ขยับหนีไปไหน เดินยังไงก็ถึงถูกปะเพราะจะไปคิดถึงระยะทางมันทําไมเราตั้งใจเดินทีละเก้าเราเดินจงกรมขึ้นเขากลับวัดเดินทีละเก้าเดินทีละเก้าอืสุดท้ายแล้วก็เดินเลี้ยวเข้าวัดอเดียบร้อยถึง เท่านี้เองอาจารย์พูดเรื่องนี้วันนั้นอาจารย์สอนอยู่ที่ยูอุปศุนสองพออาจารย์พูดเรื่องนี้จบปุ๊บเด็กคนหนึ่งเขาเพิ่งจบตีเขาจะไปต่อโทรที่อองกษิษไปต่อโทที่อองกษิษ บอกโอ้พ า, จายจย์หนูแล้วทำไมหนูทุกทั้งสี่ปีหนูทุ ก, กับการไปเรียนหนังสือตั้งสี่ปีเน่บอกทำไมอะ่ะก็เวลาหนูนั่งรถนั่งรถไปเสร็จแล้วเนี่ยหนูต้องเดินพอลงรถปั๊บเนี่ยหนูเดินไปที่คณะหนะูใช้เวลาสิบห้านาทีหนูทุกทุกวันเลยอะ่ะ พอลงรถปุ๊บหนูทุกเลยตอนแรกหนูก็งงว่าหนูทุกทำไมหนูทุกเพรอะไรวะตอนนี้หนูได้คำตอบแล้วได้คำตอบว่าไงลูกก็หนูเดินทีละสิบห้านาทีหนูไม่เดินเดินทีละเก้าแบบอาจารย์เข้าใจไหมพอหนูลงรถปุ๊บเนี่ยสิบห้านาทีมันมาทุกทีเลยตั้งสิบห้านาทีเนี่ยกว่าจะถึง หนูไม่ได้เดินทีละเก้าอย่างอาจารย์มันเอาบห้านาทีตั้งขึ้นมาเลยเป็นก้อนใหญ่ๆทุบทับผมหนูอยู่ตลอดระยะทางแห่งการเดิน ท, ทุกวันทุกวันสี่ปีหนูก็ไม่เข้าใจทาไหมหนูต้องทุกท้ไม ห, หนูทุก อ, อ๋อเพราะหนูไม่ได้เดินทีละเก้าอย่างอาจารย์หนูเดินทีละสิบห้านาทีคราวนี้หนูได้ละเคล็ดในการที่จะไม่ทุกข์ ยังไงลูกเนี่ยเดี๋ยวหนูไปเดินต่อที่อังกฤษหนูก็จะเดินทีละก้าแบบประจาย์นี่แหละมันจะไกลแค่ไหนหนูก็จะเดินทีละเก้าหนูรับรองได้เลยหนูต้องไม่ทุกแน่เลยเพราะหนูรู้แล้วว่าถ้าหนูคิดเอาระยะทางคิดเอาเวลามาแบกเมื่อไหร่หนูถุงเมื่อนั้นอม mm. คิดดีไหม ดีพ่อมันคิดจะพาตัวเองไม่ทุกใช่ไหมไอ ห, หนูคนนี้มันคิดพาตัวเองไม่ทุกใช่หรือไม่พบวิธีที่จะทำตัวเองไม่ทุกเกี่ยวกเรื่องแบบนี้แล้วอืมจำไว้นะลองไปใช้ดูแล้วคุณจะรู้ว่าเคล็ดลับแห่งความไม่ทุกคือการอยู่กับปัจจุบัน เคล็ดล้ดขอความทุกข์คืออยู่กับปัจจุบันใครเคยให้หมอนวดนวดบ้างยกมือขึน้นแล้วเวลาถูกนวดทำไง ài? เจ็บไหมออกลัวไปก่อนทุกตั้งแต่ยังไม่เจอหน้าหมอใช่ป่ะถ้าตั้งตั้งค่าว่าโอ้โหมันกดตรงนี้ต้องปวดแน่เลยเนี่ยเดี๋ยวหมอคนนี้มันมันประจำเลย เราสร้างเรื่องทุกเไว้แล้วหนึ่งอย่างใช่ไหมแล้วทำไงเวลาเขากดแล้วมันปวดปวดทำไงร้องเพราะมีคนเคยบอกเราว่าร้องให้เสียงมันออกมาแล้วมันจะคลายมันเวลาไปเล่นเหลอเวกิ้งตะโกนออกมาร้องมาดังๆแล้วมันจะคลายออก จริงบมไม่รู้ทําไงทําไงงานจริงมีใครไปนวดแล้วเวลาเขานวดแล้วเราก็พยายามตั้งกรรมฐานไหมมีไหมมีมีปะ <c oughs> ตั้งยังไงก็ <c oughs> ตามกดไปมันรู้สกเจ็บครับอค่อยค่อยคลายมันก็ค่อยแปยว่าเราตามรู้กับปัจจุบันที่เขาทานั้น <c oughs> ตามรู้กับสัมผัส <c oughs> ตามรู้กับสัมผัส ข, ของเขาแล้วก็ตามรู้ความรู้สึกที่ปรากฏกับการสัมผัสนั้นหรอ อืมอ่ะของคุณ ด, ดูที่ใจเร า, า, เราดูใจเรากายเราดูใจเรากายถูกสัมผัสใจเป็นยังไงกายถูกกดกายถูกนวดใจเป็นยังไงใช่ไหมมีใครพยายามตั้งตั้งลมหายใจเป็นกรรมฐานไหมหรือพยายามเอาอะไรเป็นกรรมฐาน นี่เขาบีบนวดไหมอ๋ออว่าไงใครมียังไงอ่ะถามตั้งหลายคนเท่อไดูลมหายใจดูลมหายใจแล้วช่วยได้ไหมได้บ้า ง, างอ๋อหมายถึงว่าไปฝังเข็มมาเหรอ ทอ๋ออาจารย์ถามว่าไปหาหมอนวดไม่ได้ไปหาหมอฉีดยาโอเคโอเคหมอนวดเดีวหมอฉีดยาก็จะรับความรู้สึกตอนจิ้มเข็มลงไปใช่ไห ม, มก่อนไพ่อาจารย์ดูสาระคดีฝรั่ง เขาเอาเข็มจิ้มแขนจึกก๊กไปโอ้มันเจ็บมากเลยเสร็จแล้วหมอก็าบอกทีนี้ผมจะจิ้มแขนใหมอ่อีกข้างหนึ่งนะแถบนับหนึ่งถึงสามผมไปยยกดไอกดไอดังๆนะหนึ่งสองสัม <c oughs> <c oughs> เรียบร้อยอ๋อเสร็จแล้ว บอกถามเอาเสร็จแล้วหรอเสร็จแล้ ว, ลวหมอบอกเสร็จแล้วนี่ก็เลยบอกเกิดอลยขึ้นฝรั่งเขาอาธิบายว่าเป็นเพราะตอนนั้นเนี่ยมสมองของเราไม่ได้ไปโฟกัสกับตำแหน่งที่จะเจ็บอนใน ไ, ไปโฟกัสกับเรื่องไอ <laughs> เวลาะอาจา์ถูกนวดเวลาหมอนนวดเนะาะเมื่อก่อนเคยใช้วิธีการดูลมหายใจบ้างกระดิกนิ้วบ้างอะไรบ้างตั้งกรรมาฐานเนาะแต่พอเราสังเกตดูทีมันมาเราไปตั้งการดเราไปตั้งกาด เ, เหมือนเรา เรามีวิพารวะตัญหากับอาการที่ปรากฏตรงนั้นกับอาการที่จะเจ็บกับประการอะไตา่างเากตั้งการไปอมืมันเห็นภาวะตรงนี้อยู่เราก็เลยไม่ตั้งการดีวะไม่ตั้งกรรมฐานแบบทังอื่น แต่รับรู้การสัมผัสรับรู้การสัมผัสของหมอนวดที่เขานวดเราอ่ะเวลาเขาจับเราเรารับรู้การสัมผัสตรงนั้นเวลาเขากดเรารับรู้การกดของเขาเพราเวทนาปรากฏรับรู้กับมันแล้วพอเขาคลายเวทนากับมันก็คลายออกเรารับรู้การเคลื่อน ของมือเขาที่สัมผัสเราเป็นปัจจุบันตรงนั้นไม่มีการตั้งการแต่การสัมผัสมันกับนิ่มนวลก็เยอะหมายถึงว่าภาวะเราอ่ะกับกับเวทนาที่ปรากฏกับอะไรก็ตามที่จมเกิดขึ้ น, ม, นมันมีความนุ่มนวลกว่านุ่มนวลกว่าการที่เราไปตั้งกรรมาฐานอย่างอื่นเอาไว้มันมันสัมผัสอย่างนั้นนะตัวพระอาจารย์พระอาจารย์กับรู้สึกอย่างนั้น มันก็เลยทำให้ เ, เวลาพระอาจารย์สอนสอนเรื่องการนำทางผู้ป่วยบางทีผู้ป่วยไม่อาจจะตั้งกรรมาฐานเองได้เนี่ยเราก็จะพยายามบอกให้ผู้ป่วยเนี่ยตามรับรู้การสัมผัสของเราให้เขาตามรับรู้การสัมผัสของเราอะใช้การสัมผัสของเราเป็นเป็นฐานในการระลึลกรู้ เป็นฐานในการระลึกรู้ไปใจก็มารับรู้ตึงนี้ตรงๆกับการสัมผัสของเราก็เป็นฐานได้ก็เป็นฐานได้เพรา ะ, ะเราก็เลยเอตอนเขานวดนะแล้วปล่อยเขานวดแต่เราก็รับรู้กันการนวดของเขาการสัมผัสของเขามีแรงมีค่อยบวดนักปวดเบากดแช่ตึงยาวรับรู้ ทายออกเนี่ยมันมันมันทำให้เราอยู่กับปัจจุบันปัจจุบันที่ปรากฏลงตรงนั้นจริงๆอย่างอย่างชัดเจนลองเอาไปทำดูนะเออลองเอาไปทำดูว่างแล้วเย็นนี้ก็ไป หาหมอนสักสองชั่วโมงเขานื้อหเราหน่อยเพื่อลองดูไงลองดูเข้าใจไหมเออเราลองพี่นวดลองสัมผัสรับรู้ตรงๆรงดูเออเทียบเคียงกับที่ผ่านมาที่เราทำเออลองดูลองดูนะไม่รับประกันว่าจะได้ดีแบบอาจารย์ไหมเพราะไม่ใช่อาจารย์ไงเข้าใจไหมเออแต่ เป็นยังไงใครเป็นคนได้รับต<ช>ัวเราเอง เ, อเราทดลองเล่นได้หมดแหละอะไรก็ตามเรื่องการปฏิบัติจงเอากายเอาใจเราเป็นแหล่งทดลองเอากายเอาใจเราเป็นแหล่งทดลองเอาภาวะพุทธะคือผู้รู้ของเราเป็นผู้สังเกตการเข้าใจไหมให้พุทธะได้ตื่น ให้พระพุท ธ, ธให้พระพุท ธ, ธะได้ตื่นขึ้นในตัวเราอยู่ที่เรานี่แหละเล่นไปเถอะสนุกจะตายการทดลองเนี่ยมันเป็นอะไรที่สนุกทดลองเรียนรู้เรื่องทุกเรืการดับทุกนี่สนุกมีอะไรให้เรียนรู้มีอะไรได้ศึกษาเนาะ เวลาเพื่อนถามพระอาจารย์นะหลวงพี่บวชนานแล้วไม่ใช่หรอไม่คิดจะศึกมังนะ่งหรือยังสนุกอยู่บวชนี่นะสนุกสนุกมันสนุกตรงไหนหลวงพี่มันสนุกตรงกำลังเรียนเราเองนี่แหละสนุกตรงเราเล่นเล่นกันเร า, เร า, เราทดลองกันเราออกไปจะมาหากินจ้าง ก, ก็ไม่มีเวลา ใช่ป่ะเอาไปทำอาหากินจ้าก็ไม่มีเวลามานั่งเล่นทดลองกับตัวเองใช่ไหมอ้มีสกสุกสกสต้องบอกว่าพรพจ้าอนุญาตให้บวชแนวไดี้บ น, นี่แหละเราจะได้มีเวลากับการทดลองกับตัวเองให้พวกเราทำเถอะสนุกนะจงมีชั้นทะา ที่จะอยู่และเรียนรู้กับมันเมื่อนั้นวิริยะและความอดทนมันจะตามมาและความใส่ใจคือจิตตะจะเก็บลาละเอะกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราเขาจะก็จะเริ่มทํางานนั่นหมายถึงว่าภาวะผู้รู้ก็จะตื่นตัวขึ้นเรื่อยๆแล้วเมื่อนั้นวิมังษาคือการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกระบวนการทดลองเล่นใหม่ๆของเราก็จะ พูดคยยยุยธานมะไเรื่อยๆเห็นไหมมันอยู่ตรงนี้แหละให้ส <c oughs> ังเกตนั่งฟังอาจารย์ไปเรื่อยๆเราไม่เหนื่อยเลยในชะ่ไ <c oughs> เราลืมเวลาเพราะว่าเราเพลินกับการฟังอาจารย์ใช่ไมส่วนหนึ่งมันเลยไม่ไปกับเวลาไม่ได้สนใจกับเวลาถูกไหม แค่นั้นเอให้เข้าใจเทคนิคง่าย สังเกตไหมว่าเวลาเราแรกๆที่เราทำกรรมาฐานเนี่ยมันก็จะมีความคิดมีความง่วงมีโน้นมีนี่ลุ่มเร้าอยู่เยอะๆอยู่มีไหมแต่พอเราทําไปทํามาทําไปเรื่อยๆอย่างยังยืนยันยังยืนยันต่อเนื่อ ง, ต, อองต่อเนื่องไปสังเกตดูไหมว่าไอ้พวกนั้นก็ค่อยๆค่อยๆซาไปซาไ ป, าไปใช่หรือเปล่าเออสงสัยไหมเพราะอะไร คิดว่าเพราะอะไรเออมันกลับมามันกลับมารู้เนื้อรู้ตัวมากขึ้นยิ่งทำมากเท่าไหร่มันก็ยิ่งเก็บเกี่ยวตัวภาวะรู้สึกตัวมากขึ้นมากขึ้นหมาความมันก็ตั้งมั่นขึ้นเรื่อยๆนั่นเอง แปต่ใจเรามักจะท้อตอนที่มันกำลังเดินทางใช่ไหมตอนเจ่อเดวนจนตีใหม่ๆก็จะท้อเนาะไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วแต่เมื่อใดก็ตามที่เรามีความพยายามมีความอดทนที่มากพอพูะทธเจ้บอกว่าความอดทน เริ่มต้นมันมีรสชาติที่ขมคืนเข้าใจไหมแต่หลังจากนั้นมันจะหอมหวานยิ่งกว่ารสชาติใดๆจริงนะการปฏิบัติก็เช่นเดียวกัน ต้อเราให้ความอดทนความพยายามกับมันไม่ขาดสายถ้าวันหนึ่งจะรู้ว่าเพราะความอดทนและความพยายามของเรานั่นแหละจึงทำให้เรามาถึงวันนี้ได้ถ้าวันนั้น เราทอ้อซะเราคงไม่มีวันนี้มันมีอยู่ในในซีรีส์พระพุทธเจ้าเคยดูไหมที่บอกทางเส้นนี้เนี่ยมีอยู่สองอย่างคือเดินไปไม่สุดทาง ยังไม่ยอมเริ่มต้นเดิน ท, ท่นทนนทาทีคนที่ไม่สำเร็จในเส้นทางเนี้เข้าใจไหมคนที่ไม่สำเร็จในเส้นทางเนี้ยมีอยู่สองอย่างคือหนึ่งเดินยังมีถึงสุดทางสองก็คือยังไม่เริ่มต้นเดิน ท, ท่าทีตอนนี้เราเริ่มต้นแล้วเนะเหลือจะเดินให้สุดทาง